ในการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยมื่อตอนช้าพูดเรื่องสัมมาสัมพุท ธ, ธูแล้วก็การเจริญพุพทธคุณนั่นแหละทีนี้การที่จะเจริญพุทธคุณได้นันนี่ยต้องเข้าใจอินรี์ทั้งหนะ้าเนาะในอินรี์ทั้งห้านั้นก็มีศรัทธาวิริยาสติสมาธิแล้วก็ปัญญาวัตถุประสงค์เป้าหมายในการที่เราจะ บ่มเพาะก็คือนี่แหละในบรรดาอินทรีย์ทั้งห้านี่แหละที่จะเป็นปัจจัยในการที่จะเราท่านทั้งหลายจะได้ทำให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะลำดับแรกที่จะต้องมาทำความเข้าใจก็คือเรื่องสั์ทินรีเรื่องสั์ทินรีเนี่ยเออจะดูใครเป็นข้อเปรียบเทียบแบบย่อๆในะทีนี้เท่าที่คิดได้เนี่ย ก็ต้องดูในเรื่องของบุคคลที่ก็มีศรัทธาระดับภาษาวกนะระดับพระพุทธเจ้าพูดมาแล้วก็ลองดูเกี่ยวกในเรื่องของระดับภาษาวกเอาประวัติย่อๆของท่านนะอย่างท่านพระรัตตาลาเถระตามประวัติท่านบอกว่าเป็นผู้มั่งคัง่งเป็นลูกชายของเศรษฐีอยู่ในเมืองทุลากโิกานิคมในแคว้นกุรุรัต แต่ด้วยศรัทธาภาษาทานในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านยอมออกบวชโดยไม่มีความเสียดายและอะไรต่อทรัพย์สมบัติและก็ไม่เสียดายและก็ไม่อะไรต่อชีวิตตลอดถึงความสุขที่จะได้รับในเพศคารวาสฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่บวช ด, ด้วยความเลื่อมใสจริงๆไม่มีเบื้องหลังอะไรแอบแฝงอยู่ในการบวชของท่านจริงๆก็คือในเรื่องนี้ ทำให้พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเชื่อว่าโกราพยาเนี่ยเนี่ยเกิดความสงสัยอ น, นั้นก็ย่อเนี่ยเนี่ยเกิดความสงสัยในตัวท่านมากก็ตัดถามท่านบอกว่าท่านรัฐบาลบุคคลบางคนในโลกเนี่ยเมื่อถูกความเสื่อมสี่อย่างเข้าครอบงำใช่ไหมคือถูกความแก่คือชราเข้าครอบงํา หมดความสุขความเจริญในทางโลกแล้วก็ดีถูกความเจ็บไข้ความป่วยเขาเบียดเบียน <c oughs> หาความสุขในทางโลกไม่ได้แล้วก็ดีเนี่ยเป็นคนสิ้นทรัพย์อโภโะไม่มีโภคทรัพย์ถูกความยากจนครอบงาแล้วหาความสุขในทางโลกไม่ได้แล้วหรือคนที่ซึ้นญากขาดมิตรไม่มีใครอยากจะคบหาสมาคมหรือนับถือแล้ว ฉ้บุคคลที่มีความเสื่อมเหล่านี้ย่อมจะพากันหันหน้ามาพึ่งพาพระพุทธศาสนาแล้วก็บวชใช่เพื่อจะหลีกเลี่ยงความเสื่อมดังกล่าวและสำหรับตัวท่านเองเนี่ยเพราะท่านก็ยังไม่แก่ชรายังเป็นคนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแล้วก็มีสุขภาพสมบูรณ์ด้วยและท่านก็ไม่ใช่คนจนด้วย ท่านยังเป็นคนที่สมบูรณ์ภูณสุขด้วยทรัพย์สมบัติและก็สุขภาพแล้วก็ญาติมิตรเป็นต้นเหล่าเนี้ยทั้งยังมีคนอารายาวรและก็มีความเคารพรักใคร่ท่านแล้วก็ยังมคีคนอะไรในตัวท่านอยู่มากมายเนี่ยเหตุะไหนท่านยิงบวชท่านพระรัตปาลาก็ได้พูดกับพระเจ้าโกรพยะแล้วก็ตรัสบอกว่าท่านแสดงธรรมุเทศสีประการนี่ไม่ได้กล่าวไปแล้วหลายหลายครั้งในข้อแรก ท่านแสดงบอกสัตว์โลกถูกชะลาคอบงำคือถูกชะลาความค้าค่าที่เบียดเบียนกระแสของขันท่อนาอายะตนะคือเกี่ยวในเรื่องของผมคนเล็บฟันต่างๆเหล่านี้ชะลามันคอบงำทุกจุดแล้วมันเบียดเบียนก็ไปไม่ยั่งยืนนี่ในข้อแรกข้อที่สองสัตว์โลกไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนข้อที่สามโลกไม่มีอะไรเป็นของของตนจําต้องทิ้งทิ้งสิ่งทั้งปวงไป ข้อที่สี่โลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหาท่านว่างนันนะะนี่แหละคือเมื่อท่านทราบซึ่งถึงพุทธโอวาทของพระผู้มีภาคเจ้าอย่างนี้แล้วก็ให้รู้สึกสังเวชสลดใจตัวเองจึงได้ออกบวชแต่ไม่ใช่ออกบวชเพราะถูกความเสื่อมครอบงำดังที่พระเจ้ากรพหรือคนทั้งหลายก็เข้าใจพระเจ้ากรพได้สดับยพระธรรมของท่านแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใส แล้วก็ตรัสอนุโมทนากับท่านที่จริงในเนี้ยท่านอุปมาไว้เยอะแยะยกตัวอย่างสั้นๆในข้อแรกเลชลาเนี่ยบอกว่าชลาเนี่ยจริงๆแล้วท่านแสดงเป็นในด้านของปุกลาที่ฐานแต่ด้วยหลักของความเป็นจริงเนี่ยในชั้นของพระธรรมเนี่ยนะไม่มีชาไม่มีขนาดจิตใดเลยที่ชลาจะไม่เข้าเบียดเบียนทุกทั้งผมขนแลบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่ในกระดูกทุกอูของร่างกายเนี่ย ตัวชาลามันครอบงำทุกจุดนี่ท่านเห็นความเสื่อมทั้งปรามตัดชาลาแล้วก็เกี่ยวในเรื่องของสมมุติ ช, าชาลาชาลามีเรองเยอะใช่ไหมชาลาที่ปรากฏและชาลาที่ไม่ปรากฏสรุปแล้วก็คือชาลานั้นมีอยู่ทุกๆขนาดท่านเห็นชาลาทั้งหลายๆอย่างปรากฏกับท่านฉะนั้นเพราะประการอย่างเนี้ท่านจึงออกบวชประการต่อมาโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนก็บอกว่ามันไม่มีอะไรต้านทานได้เลย ไม่มีอะไรป้องกันได้เลยเนี่ยนะแล้วก็โลกไม่ใช่เป็นของคนตนจําต้องทิ้งถามว่าที่เรามีอะไรเนี่ยตาหูจะบุกเล่นกายใจเดี๋ยวเราก็ทิ้งทั้งหมดไม่ต้องพูดถึงสมบัติภัยเนะแล้วก็โรคพองอยู่เป็นนิดก็หมายความว่าต้านหานี่มันถมไงก็ไม่เต็มมันไม่ยอมอิ่มแนวลมทั้งหลายฉะนั้นท่านเห็นโทษอย่างเนี้ยท่านเกิดสลดใจเกี่ยวเรื่องของสภาพของโลกนั้นถูกชลาครอบงำหรือถูกชลานั้นเบียดเบียนก็ไปใกล้ไม่ยั่งยืน โลกไม่มีผู้ป้องกันจะหาคนป้องกันไม่ได้ญาติพี่ต่างๆมาป้องกันไม่ได้ป้องกันไม่ให้แก่ไม่เจ็บให้ตายเป็นต้นอย่างนี้ไม่ได้แม้ตนเองก็ป้องกันไม่ได้ทรัพย์ก็ป้องกันไม่ได้ยศเกียรติยศชื่อเสียงเป็นต้นหลอดเนี้ยก็ป้องกันไม่ได้แล้วก็คือโลกไม่มีอะไรเป็นของของตนเลยฉะนั้นจำต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปประการต่อมาก็คือโลกพองอยู่เป็นนิดคําว่าโลกพองอยู่เป็นนิดก็คือขันเนี่ยคําว่าโลกพองอยู่เป็นนิดหรือว่าโลกทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายเนี้ย โลกไม่มีอะไรเป็นของของตนก็นเหมือนกันโลกพัองอยู่เป็นนิดก็หมายก่านมันมันมันไม่เคยอิ่มหมาสมุดไม่เคยอิ่มน้ำํำปัญหาไม่เคยอิ่มต่ออามทีนี้พอท่านทราบถึงตรงนี้ท่านก็บวชจากตัวอย่างของภาสาวกที่ยกมาเนี้ยจะเห็นได้ว่าสาวกเหล่านั้นท่านบวชกันด้วยศรัทธาและเหตุผลจริงๆศรัทธาที่แท้นะแท้นะนะั้นน่ะเออท่านอาจารย์ ศีลาจาระที่ท่านอธิบายอภิธรรมมัทธะสังคะทีปนีดีกาเนี่ยท่านแสดงลักษณะลักษณะปัจจุปฐานปทัฏฐานกันไว้บอกว่าศรัทธานั้นมีความเชื่อเป็นลักษณะเชื่อในที่นั้นคือปรับใจเชื่อเป็นลักษณะก็ได้ทีนี้ ในลักษณะของศรัทธาเนี่ยเราไปดูในไหนประกอบดูในมิรินได้ปัญหาประกอบเย็นเดี๋ยดูตรงนี้ไปก่อนที่ว่าเราจะเจริญศรัทธาในการเจริญพุทธคุณจะได้เข้าใจนะว่าเวลาเราจเจริญพุทธคุณเแล้วเนี่ยมีความเชื่อเป็นลักษณะแล้วก็ปักใจเชื่อเป็นลักษณะเนี่ยนะนั่นคือลักษณะของศรัทธาคือ การเจริญพุท ธ, ธานุสติหรือการเจริญพุท ธ, ธุลทั้งหลายเนี่ยศรัทธาจะต้องเดินให้ได้และศรัทธานั้นต้องเป็นใบกุศลเนาะโดยเฉพาะว่ามหากุศลจิตวิบากนั่นแหละแต่ในที่นี้ก็คือว่าศรัทธาท่านศรัทธาในอะไรศรัทธาในการที่จะน้อมนึกถึงคุณของพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยทีนี้ในสภาพของศรัทธานั้นเนี่ยถามว่ากิจกิจหรือการงานของศรัทธานั้นเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะทํา นำมาทำทั้งหลายคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดร่วมนั่นกับเ้าเนี่ยให้มีความห่องใสอุปมาเหมือนอะไรเหมือนแก้วมณีที่พ่องใสไอ้แก้วมณีที่พ่องใสนั่นน่ยทําน้ําที่ขุนให้ผ่องใสเช่นนะั้นทีนี้ท่านก็อุปมาบอกว่ามณีแก้วมณีของอพระเจ้าจักรพรรดิเวลาเกิดน้ําขุนขุนทั้งหลายเหล่านี้ยเขาใช้แก้วมณีเนี่ยลงไปในน้ํา แ, แก้วมันีนี้ก็จะทําน้ํานั้นให้จากขุนนั้นให้ใสแจ๋วเลยเนะี่ยหรืออย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยเวลาไปเจอน้ําขุนๆคนแถวบ้านนอกทั้งหลายเขาใช้สารสม้มเอาสารส้มเขาก็แกว่งแกว่งสภาพเขาก็กินกันได้เนี่ ย, ยหรือใช้อาบใช้ดื่มได้เป็นต้นเลยแต่ว่าความใสของศรัทธานั้นมีสภาพยิ่งกว่าสารสม้มท่านเลยยกตัวอย่างมาเหมือนแก้วมันี ธรรมดาแก้วมันีนั้นจุบลงไปหรือไปอยู่ในวัตถุชิ้นใดเนี่ยทำให้วัตถุชิ้นนั้นใสสะอาดไปด้วยสภาพของศรัท ธ, ธาก็เหมือนกันเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะขัดนามธรรมเวรนาขันสัญญาขันสังขาราขันวิญญาณขันที่เกิดขึ้นร่วมกับเขาให้มีความผ่องใสให้มีความใสฉะนั้นเมื่อศรัท ธ, ธาใสาเป็นต้นเนี่ยหทยาทียะวัตถุที่เป็นที่ตั้งของสัจตินีเป็นต้นนั้นก็พลอยผ่องไปด้วยอย่าแปลกใจในคนที่เจริญพุทธคุณทั้งหลายเป็นคนผ่องใส ไม่ใช่เป็นคนเครียดเครียดง่ายรำนาำให้ขุนให้ผ่องหรือมีกิจแล่นไปสู่ความเบื้องเบื้องหน้าไปสู่ขุนเบื้องหน้าอุปมาเหมือนการข้ามจากกามโมคะแล้วก็จะข้ามจากโอคะห้องน้ำคือกาเป็นตน้นก็หมายความว่ามีพุทธภาษสิตบอกบอกเขาไว้ยังไบอกบุคคลจะข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาบุคคลจะข้ามโมคะได้คือกาโมคะพรโอคะที่โถคะวิโชคะ ก็หมายความบอกว่ากามาคุณทั้งหลายเนี่ยนะหรือทิฏฐิทั้งหลายหรือภพทั้งหลายต่างๆเนี่ยหรือความหลงความโง่ทั้งหลายเนี่ยเนี่ยตัวตัวศรัทธานี่แหละเป็นตัวนําตนดนำในที่นั้นกล่าวถึงในยะของตถาคตะโพธิศรัทธาตถาคตะโพธิศรัทธาเนี่ยเมื่อศรัทธาในการตัดสรุป ข, ของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ย ศรัตน์นั้นจะนําอะไรนําให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยหรือนํากระแสของนอ า, ามรประธรรมลูกประธรรมของสั้นเหล่านั้นเนี่ยให้แล่นเดินตามมาพูดมียภาคเจ้าใช่ไมนี่นี่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นลักษณะของศรัตน์นั้นจึงบอกว่าเป็นตัวที่จะทําให้ข้ามเมื่อเขายังทําที่เกิดร่วมกับเขาให้ผ่องใยแล้วเนี่ยเขายังมีกิจแล่นไปสู่คุณเบื้องหน้า เช่นไปสู่ศีลสมาธิปัญญาจากกามมาจรเป็นรูปราวจรจากรูปราวจรเป็นอรูปราวจรเป็นโลกุตระเนี่ยเนี่ยนั่นแหละเขาเขาเล่นไปอย่างนั้นแหละประการต่อมาก็คือลักษณะลักษณะแล้วก็ปัจจุปฐานก็คือผลเนี่ยนะผลของเขาก็คือว่าปัญญาเนี่ยปรากฏในปัญญาของพโยคาวจรว่าเป็นธรรมที่ไม่มีความขุ่นมัวก็ได้ หรือมีความน้อมใจเชื่อก็ได้ประการที่สี่มีวัตถุที่ควรเชื่อเป็นเหตุกล้ให้เกิดวัตถุที่ควรเชื่อก็คือรัตนสามประการนั่นเองวัตถุสามประการคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสัง ร, ร, รัตนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือโสตาปฏิยังคะก็มีการปั้งสัสดรทำเป็นเหตุกล้ให้เกิดขึ้น ท, ทีนี้ผู้รู้ควรเห็นว่า เหมือนกันอะไรมือทรัพและพืชฉนะนั้นนอกจากนี้ท่านยังกล่าวพระเถระบางอย่างท่านกล่าวว่าศรัทธาเนี่ยแท้และศรัทธาเทียมเขาไว้อันนี้ในกัมพีมหาตุรดีกานะท่านแยกเขาไว้บอกว่าศรัทธาคือความเชื่อนี้มีสองอย่างคือเอกันตาศรัทธาคือศรัทธาแทและปฏิรูปศรัทธาคือศรัทธาเทียม ในศรัทธาสองประการ น, นั่นน่ะนะความเชื่อที่เป็นไปโดยความเลื่อมใสในวัตถุที่ควรเชื่อเช่นอรหังสัมมาสมัมพุิโทววิชาจรณาสัมปันโนสุกโตโรภวิทูเป็ปตตนต้นหนึ่งนะหรือพระธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วตลอดถึงประริยสงที่เป็นสภาวะที่ตรัสรู้ตามพุทธานเนี่ยนะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกเอกันตศรัทธาคือศรัทธาแท้ๆเป็นศรัทธาอย่างแท้จริงเพราะตั้งไว้ใ น, นวัตถุที่ถูกต้อง ส่วนความเชื่อที่เป็นไปแล้วโดวยความเชื่อในวัตถุที่ไม่ควรเชื่อเช่นว่าไปเชื่อในพในคำสอนของเดรัจฐหรือคำสอนที่ผิดิดเอางี้นะว่าไปเชื่อในข้อนื้อในคำสอนไปสำคัญว่าเป็นคำสอนของพุทธเจ้าแต่เป็นความเชื่อที่ตั้งไว้ผิดเพราะไม่มีปัญญาอุปก า, าเนี่ยนะไอเนี้ยเขาเรียกปฏิรูปประกาศศรัทธาคือศรัทธาเทียม ศรัทธาเทียมนั้นโดยองทรรมแล้วได้แก่อะไรได้แก่มิจฉาวิโมกคือการน้อมใจเชื่อในสิ่งที่ผิดๆทีนี้ตรงนี้นี่แหละหลายหลายคนถึงบอกว่าศรัทธามากไม่ดีไอศรัทธาศรัทธามากในที่นี้ไม่ใช่ตัวศรัทธาหรอกมันตัวมิจฉาวิโมกหรืออธิโมกเจตสิกนั่นแหละ อธิมโมกขนั้นก็แปลว่าน้อมใจเชื่อเหมือนกันแต่มันเป็นอธิมโมกที่ประกอบกับกุศลเข้าใจยังเพราเป็นอธิมโมกที่ประกอบในกุศลมันเลยตัดถึงใจมันเลยน้อมใจไปผิดๆเลยทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายพึงระวังให้ดีตั้งให้ถูกให้หลายคนหัวปลอกหัวปาอมกันมาเยอะแล้วในสงสารวัตเนี่ยเพราะไปน้อมใจผิด ฉะนันศรัทธาที่เป็นศรัทธาเทียมที่เป็นมิจฉาหรือมิจฉาทธิโมกเนี่ยน้อมใจในไหนไหน้นอมใจไปในคําสอนที่ไม่ตรงเหตุใดตึงน้อมใจไปในคําสอนที่ไม่ตรงถ้ายังชัดยังอมิจฉาทธิโมกแบบสุดๆเลยนี่นะเป็นมิจฉาทธิโมกแบบเอาคําสอนของเดียร์ถีเลยบอกว่าปากุฏะ กัจยานะอย่างเงี้ยมัคคีริโคสารละอัจฉิตาเกศกรมพลสนใจไว้แล้วก็บุตปรปักุทภกัจยานะเนี่ยนะนี่นคนน่าบุตรเป็นต้นเหล่านี้ในบราดารธีคูทั้งหกหรือขยายออกมาเป็นคูทั้งยี่สบสามสิบหรือเป็นร้ย เ, เป็นพันอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในโลกในจักรวาลทั้งส้นเนี่ยนะถ้าเราไปน้อมศรัทธาแบบเนี้ย น้อมมิจฉาอาิโมกที่ไปเป็นสตาเทียมาเนนี้ยแค่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ไปแล้วสังสารวัตรก็ยืนฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยเคยมีมิจฉาอาทิโมกการน้อมใจเชื่ออย่างผิดๆมาอย่างยาวนานแล้วในสังสารวัตรที่ผ่านมาและในปัจจุบันนี้เราก็ยังแก้ไขมันไม่ได้อยู่จนทุกวันเนี่ย อย่าแปลกใจถ้าไม่เจอสิ่งที่มันไม่ถูกแล้วเนี่ยมันรู้สึกประทับใจเหลือเกินมันถูกใจพระเจ้าเหลือเกินเนี่ยมันง่ายมันสะดวกมันโล่งมันคล่องแต่พอมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้ามันรู้สึกอึดอัดมันขัดเคืองเหลือเกินเนี่ยนะนั่นจะแปลกใจแต่สําหรับศรัทธาที่เราจะกล่าวท่านประสงค์เราเฉพาะศรัทธาแท้คือความเชื่อดีแท้จริงที่มีการอย่างสัมยุทธตธรรมที่เกิดร่วมกับตนนั้นเน่ย มีลักษณะเรื่อมใสเป็นลักษณะอุปมาเหมือนกับแก้วมณีที่ทําน้ําที่ขุนนั้นให้ใสสะอาดฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับพวกมนุษย์เมื่อมือไม่มีแม้จะเห็นแก้วทั้งหลายแล้วก็ไม่อาจจะจับได้เมื่อทรัพย์เป็นเครื่องเปื้มใจไม่มีมนุษย์เหล่านั้นจะชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยโภคัสมบัติไม่ได้เรื่องและเมื่อมีพืชหมายความว่าข้าวกล้านี่ยไม่มีนะไม่มีข้าวกล้าเป็นต้นเนี่ย จะชื่อว่าสมบูรณ์ก็ไม่ได้ฉะนั้นข้ออุปมาต่างๆที่ท่านยกมาเปรียบเทียบนี้มีอุปมาเช่นใดก็คือว่าเมื่อศรัทธาคือความเชื่อที่แท้จริงไม่มีแล้วเนี่ยบุญกิริยาวัตถุคือทานศีลภาวนาอภนะัยยานะเวียวัจจะปฏิทานะปัตตนุโมธนะธรรมสวราธรรมเทศนาที่ถูกชุ ก, กรรมเป็นต้นเหล่านี้นะ คือว่าถุไม่ไดตั้งการเจริญบุญจะชื่อว่าสมบูรณ์ยัยงไม่ได้จะชื่อว่าสมบูรณ์ไม่ได้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นศรัทธาคือความเชื่อที่แท้จริงนั้นท่านจึงกล่าวว่าควรทราบวฐ า, านะเหมือนกับมือทรัพย์และพืชฉะนั้นตามือไม่มีหยิยบของได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมทรัพย์ไม่มีจะชื่อว่าเป็นคนมีทรัพย์ไม่ได้พืชไม่มีเช่นข้าวไม่มีเป็นต้นฉะนั้น จะบอกว่าเป็นคนมีข้าวาอาหารเป็นต้นก็ไม่ได้ฉะนั้นเหมือนกันฉะนั้นคนไม่มีมือคือไม่มีศรัทธาจะหยิบอโลกุตระทบไม่ได้คนไม่มีมือก็คือศรัทธาก็เหมือนกับคนไม่มีทรัพย์หรือไม่มีพืชใช่ฉะนั้นคนจะข้ามโอค้าคือการโอค้าพะโอค้าทิถุค้าวิโชค้าเนี่ยจะต้องมีมือมือในที่นั่นคือจะต้องมีศรัทธา ศรัทธานั้นจะต้องมีศรัทธาแท้ในคำพีขุทธกานิการมีรินณาปัญหาฉบับฉัทธาสังคยนาเป็นต้นหรือว่าฉบับทั่วไปที่เขาแปลเนี่ยนยไม่ต้องฉัทธถาสังคยนาฉบับของพอม่าเลยเนี่ยนท่านกล่าวลักษณะของศรัทธาเขาไว้ศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นย่ำเป็นหญ่ในลักษณะที่น้อมใจเชื่อของตน เกี่ยวกับยังทำทั้งหลายที่เกิดร่วมกันกับตนนะ่ะทำทั้งหลายที่เกิดร่วมกันกับตนมีอะไรบ้างอนะ่ะภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกขตาชีวิตอินทรีย์มนสิการเป็นต้นเนี่ยนะรวมทั้งอินทรีย์ที่เหลือบุริยสติสมาธิและปัญญาเป็นต้นเนะี่ยให้โอนไปได้ดีเงื้อมไปได้ดีในะ ว, วอารมณ์ที่ตนน้อมใจเชื่อโอนไปไหนน้อมไปไหนน้อมไปไหนน้อมไปหาตถาคตาโพธ อะไรฮะเป็นผู้ไกลจากกิเลสโท่นเนี่ยนอมไปโน่นอะใช่ไหมไม่ใช่ไปน้อมไปพุพโทโธจะไม่รู้ควาหมายพุโทโธเนะเข้าใจไหมศรัทธานั้นเป็นมิจฉาทิโมกยุ่งเลยใช่ไหมหายใจเข้าขพุดแท้ๆออกโธอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมไม่พอตั้งบอกไม่พอท่า น, นเมื่อศรัทธาแท้ที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะท่านถึงบอกว่าท่านตั้งเป็นคาถามคําตอบเขาไว้บอกว่า พันเตนาเกษนะศรัทธามีลักษณะเป็นอย่างไรก็รคุณเจ้าคตาถามนีม่เลยถามว่าศรัทธามีลักษณะเป็นอย่างไรตามปัญหาศรัทธ า, ามีลักษณะเป็นอย่างไรทีนี้สัทธาเชื่อว่ามีความทําให้แล่นไปด้วยดีเป็นลักษณะอย่างไรเป็นต้นนะั่นน่ยพั น, นาเกษตรเนีตอบบอกว่าข้าแต่พระมหาราชศรัทธามีทําให้สัมยุดแตธรรมที่เกิดร่วงแต่ตะเติป่องใส และมีลักษณะแล่นไปสู่คุณเบื้องหน้าขอถวายพระพรมีสองอย่างผมนะมีสองอย่างก็คือพองใสยอย่างหนึ่งแล่นไปสู่คุณธรรมเบื้องหน้านั่นอย่างหนึ่งพระราชาก็ตรัสถามบอกว่าก็สัมปทานนะัสธานั้นมีลักษณะประการใดเล่าวอกขุนย้ญญาว่าเนี่ยนะบอกขอถวายพระพรแนะว่า เหมือนอย่างอะไรเดียวศรัตน์นั้นเมื่อเกิดขึ้นเพื่อจริงๆคืออย่างนี้ก็คือบอกว่าอืมตรงนี้ก็เอางี้ก็แล้วกันเนาะศรัตน์นั้นเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นย่อมข่มนิวรธรรมทั้งหลายให้สงบลงได้กามอาจารท้าพยาบาทีนะมิท้าอุทจารคุกจาวิจิจิชาห้าศรัตน์เขาทำกิจในการข่ม เออศราก็จะคมเพราะถ้าไม่คมอย่างเนี้ยอสัตย์ย่ไม่ไม่หายหรอกความไม่มีศรานิาไม่หายแท้งศราต้องข่มนิวรณ์ได้ด้วยเนาะถึงสัมปทานนัาก็ฉานั้นเหมือนกันข้าแต่มาราเจ้าบอกว่าพระราชากระตาถามว่าพระผู้เป็นเจ้าลองทําข้อเปรียบเทียบไปดูสิพระน่าเกษรก็ทูลว่าข้าแต่มาราชอุปมาเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรษ เสด็จประดับจะดำเนินไปในทางกายด้วยสาหะเนะจะตระลงเกษานาเนี่ยเสด็จข้ามท้องน้ําน้อยแม่น้ํานั้นก็กระเพื่อมไปมาเพราะพวกพลรช้างพลมา้าพล ร, รถแล้วก็พวกพนเดินเท้าพึ่งกลับกลายเป็นน้ําขุ่นไม่ใสกลายเป็นน้ำโคลนเป็นเปลือกตมไปเฉนใดเนาะแล้วพระเจ้าจักรพรรดิผู้ที่เสด็จข้ามไปก่อนเมื่อต้องการจะเดิน ตรัสสั่งให้มนุษย์ไปตักน้ำมาว่าขอพวกเจ้าจงไปตักน้ำมาให้ทีเราจะดื่มอั น, นึแก้มณีของพระราชาเพิงทําน้ำได้กลุ่นนั้นให้ให้ใสได้ข้อนี้ฉันใดพวกมนุษย์เหล่านั้นทั้นรับสนองพระเจ้าจักรพรรดิแล้วว่าอย่างนี้แล้วเข้าแต่พระองค์ผู้ส ม, มุติเทพแล้วก็วางแก้วมณีที่ทําน้ําให้ใสลงไปในน้ํำพอ่อพวกมนุษย์วางแก้วมณีลงในน้ํำท่านั้นสาหร่ายและก็แหนก็ปราด ก็ปราศจากไปสิ้นโคลนตมเปลือกตมก็หายไปสิ้นเป็นน้ําที่สะอาดโรงใสไม่ขุ่นมัวจากนั้นพวกมนุษย์ต่างก็พากันน้อมเอาน้ําที่ใสสะอาดนั้นเข้าไปถวายแด่พระเจ้าจากักรพรรดิด้วยทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทรงเสวยน้ําดื่มเสด็จแล้วข้าแต่พระองค์ผู้รููส ม, มุติติดที่บอกน้ําเดื่มอีสะอาดแล้วนั่นคือว่าท่านโกบาลักษณะนั้น คือศรัทธานั้นนะ่ะก็แปลว่าทําให้นี่อีกอย่างหนึ่งท่านก็ก็อุปมาเลยว่าน้ําเป็นน้ําเป็นฉันใดขอจงทราบเถิดจิตก็ฉะนั้นน้ําเหมือนจิตพวกมนุษย์ชั้นใดก็จงทราบเถิดพระโยคาวจรก็ฉะนั้นมนุษย์ที่ไปมนุษย์ที่ไปตักน้ํามามนุษย์ที่หยิบเอาแก้วเห็นไหมลูกแก้วมานีอ่ะ วางลงในภาชนะที่มีน้ําก็ฉันนั้นสาลายเปลือกตมและแหนเป็นต้นฉันใดขอจงทราบเถิดว่าเหล้ากิเลทั้งหลายมีกามฉันทะมีพยาบาทมีฉีนามิทะมีอุตจักขุกุจักที่บรรดาล น, น้ําให้คุณก็ฉันนั้นเหมือนกันศรัทธาความเชื่อเหมือนแก้วมณีนี่แหละที่บรรดา น, น้ําที่คุณให้ใสก็ฉันนั้นพอเขาวางแก้วมณี ทำน้ำให้ใส่ลงไปแล้วเน่นสาลายและจอกแหนก็หายไปเปลือกตมก็นอนนะก้นน้นําก็จะเป็นน้ําที่ใสไม่ขุนมัวข้อนี้อุปมาชั้นใดค่าแต่มาราเจ้าเนะ้ศรัทธาความเชื่อเกิดขึ้นก็ย่อมข่มนิวรนให้จมลงจิตที่ปราศจากนิวรนแล้วย่อมเป็นจิตที่ใสสะอาดไม่ขุนมัวฉะ น, นั้นเหมือนกันโอ้เมื่อไรจะได้ศรัทธาเยี่ยมนะนะตอนนี้เป็นยังไง แล้วมหาแก้วมนันีมาวางแก้วมันีในที่นั้นก็คือสัตถินสีใช่ไหมตอนนี้วางไว้ที่จิตที่ยังอย่ า, ยาออกจะกจิตบ่อยออกทีไรแล้วมันก็ขุ่นเคลอะเลยใช่ไหมเอาแก้วมนันีวางก็ไปก่อนถามว่าทำไมต้องใช้แก้วมันีวางไว้ก่อนเพราะอะไรอ่ะเออพอจะทำปัญญ า, รรยายให้เกิดได้ต้องของ่มยีวานก่อนเนาะต่อไปโอ้โหต่อไปวิจัยอะไรก็คล่องเลยทนะีนี้ย ทุกวันเนี่ยมันคิดอะไรก็อึดไหมคิดเพราะทำก็อื่น่านไปหมดเพราะเราไม่ศรัทธาในพระเจ้านั่นแหละเพราะเราไม่ยอมเอาแก้วมณีวางไว้ในจิตสักทีก็หมายความว่าไม่ทำศรัทธาให้เกิดขึ้นในกระแสของนามธรรมาต่อไปเรารู้แล้วใช่ไหมให้สังเกต ด, ดูไหมว่าแต่ละวันเนี่ยศรัทธาพระเจ้าเท่ากันไหมบางวันกันมากบางวันกันน้อยโดยมากน้อยเนี่ยนะโดยมากก็ น, น้อยเลย จากนั้นนะนะพระราชาก็เลยนุโมทนาบอกว่าวิสัชนาสมควรแล้วเน่ศรัทธาที่เป็นสั ม, สมปัฏฐานลักษณะมีความผ่องใสเป็นลักษณะตามที่อดามาได้อธิบายมาถวายพระพรมาอย่างเนี้ยมหาบุรพิษเข้าใจไหมว่าโอ้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดแจ๋วเลือกนจากนั้นพระราชาก็ถามถึงสัมปัฏขันธะศรัทธาต่อไป บอกสัมปักขันธนาสธามีลักษณะอย่างไรพระเถระก็อุปมาเนาะข้าแต่มหาราชอุปมานี่นะก็เหมือนอยังไงเหมือนพโยคาวจรเนี่ยเหมือนพวกเราเนี่ยนั่งกันอยู่เป็นถือว่าเป็นพระโยคาวจรเนี่ยที่ทำไมเขาเรียกพระโยคาวจรแปลผู้ประกอบความเพียรประกอบโยนิโสมณัติการในการที่จะออกจากวัฏฏะนั่นแหละเขาเรียกพระโยคาวจรผู้ประเสริฐเนี้ยพั้งคํานั้นนะนะ่ย ประกอบความเพียรประกอบโยนิโสมนสิการเป็นต้นในการที่จะดําเนินตนเองตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะในการที่จะออกจากสังสารวัตรอาลบความเพียรนในโยคาวจรเป็นชื่อของนักปฏิบัติเขานักปฏิบัติที่จะเป็นระดับพระโยคาวจรก็จะต้องมีองค์สี่ใช่ไหมเอาองค์สี่อะไรบ้าง องศีอะไรบ้างฮะองสีอะไรบ้างฮะองสีเอาไงดีฮะเอาใครรู้จักองศีองศีความเพียงที่ประกอบไปด้วยองคสีอ่ะ องค์ศี้ามาจากคำว่ากามังตะโจนาหารุเจอาทิจ่าอาวาสิสสตูอุปปัสสสตุเมทรีเรเป็นต้นอะไเนี่ยนะงานก็เรียกองคศีแล้วก็สรีเรมังตะโรยตังยังตังปุริสัตถามีปุริสัตประกำมีนะตบ ปัดตับพังนะ้เนื้อแะเลือดในสรีระของเราจะหายไปเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีตราบใดถ้าเรายังไม่บรรลุฌานมรรคผลในพิญญาเป็นต้นแล้วเนี่ยนะอันใดอันหนึ่งด้วยกําลังแห่งบุรุษด้วยความภาคเพียรแห่งบุรุษตราบนั้นเราจากไม่หยุดปาราบความเพียรที่ความเพียรที่ประกอบด้วยองศีเจ้าองศีนะตรงนั้นอาจารยางไว้อย่างนี้บอกว่า ในวงคสี่ก็คือหนึ่งเหลืออยู่แต่หนังสองเหลืออยู่แต่เอ็นสามเหลืออยู่แต่กระดูกสี่เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปจงเหือดแห้งหายไปในองคสี่เนี้ยก็หมายความบอกว่าถ้าสามารถปาราลบความเพียรได้อย่างนี้ย่อมเป็นผู้มีธรรมที่ควรจะได้อย่างแท้จริง <ส>เหมือนกับความเพียนของพระจักขุบารัตหรือพระโสซนาเทลาร์เป็นตน้นเนี่ยไม่หยุดทําไม่บรรลุทําไม่บรรลุจะไม่เลิกความเพียนเนี่ยทําได้ไหมเหลืออยู่แต่หนังเหลืออยู่แต่เอเหลืออยู่แต่กระดูกเนื้อและเลือดจะเหือดวหายแห้งไปหนังเอาไว้เอ็นเอาไว้กระดูกเอาไว้เนื้อเลือดปล่อยมันแห้งไป นั่นแหละความเปียนที่ประเขาวิองสี่บอกเอาอะไรเป็นตัวตั้งเอาชาญเอามรคเอาผลเอานี่ผ่านเป็นตัวตั้งแล้ววะโอ้แลกินลูกท้อเลยเนี่ยโอ้ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ก็แล้วคนไม่อะไรแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่อะไรแล้วเขาบอกถ้าทำขนาดนี้นะถ้าไม่ได้บรรลุเนี่ยใกล้ตายจะได้บรรลุ ถ้าไม่ได้ใกล้าตายจะบรรลุนะไปเป็นเทวดาวจะบรรลุถ้าเป็นเทวดาวไม่ได้บรรลุนะเอ อ, เออไปหมายว่าไปยินเพื่อนด้ฟยปังทำบนนู้นก็ได้บรรลุนี่นะหรือไม่อย่างงั้นมาเกิดมาเกิดนะเจอพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเบียเศ็ดนี่นะถ้าไม่เจอพระเจ้าน่าจะเพียนไปขนาดนี้เบียเ็เป็นพระเจดประเจกแ น, น่นอนในอนาคตหรือไม่อย่างนั้นนะต้องมาเจอพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าตรัสไม่ถึงบาทคาถาบรรลุเลยเร็วมาก ถ้าหากว่ามาถึงศึกษาข้อมูลดีแล้วก็ไปตั้งความเพียนแบบนี้นะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องแล้วไปเพียนเพียนเพียนไปยุ่งตอนนี้พอมีข้อมูลมากๆแล้วก็ไปเพียนแบบนี้ไม่รู้มีความเพียปนประกอบพระองค์สี่เข <c oughs> ้าใจเข้าใจเข้าใจตามพระธรรมของพี่เจ้าไม่ผิดเพีย้ยนี คำว่าข้อมูลมีตรงนั้นก็หมายความว่าสรุปความสอนได้ถึงแม้ว่าจะไม่จับได้ทุกประเด็นเ่ก็สรุปได้ไปที่ไหนใครพูดผิดนี่รู้เลยไม่ต้องไปเอ๊ะใช่ไม่ใช่เลยไม่ต้องเลยไม่มีเอ๊ะเลยหม อ, อเข้าใจเลยอย่างเงี้ยนะแต่ยังเอ๊เอ๊เออยู่เคยเรียนไปหมมใช่ไม่ใช่แยงไม่เคยได้ก็ใช่แยกของ ตรงนี้นี้ตรงนี้ก็ก็ก็ต้องเชื่อมโยงคําสอนให้ให้ชัดเน้นเนาะตรงเชื่อมเชื่อมโยงคำสอนให้ชัดเห็นไหมว่าพูดในเรื่องนี้มันจะไปยาวเลยเนี่ยเลยมาพยายามจะสรุปสรุ ป, ส ร, ปสรุปอยู่เนี่ยนีย่ก็คือว่าก็ต้องการให้ให้เกิดความเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่คือการจะเจริญพุทธคุณเนี่ย ก็ศึกษาศรัทธาให้ดีพอพูดถึงศรัทธาเนี่ยก็จะได้ไปสรุปคำสอนอีกทีใช่ไหมว่าว่าอุเป็นยังไงก็จะได้แยกแยะเวลาพอพูดถึงว่าในด้านของศรัทธาเนี่ยทีนี้ศรัทธาก็คือว่าดังที่ได้กล่าวบอกว่าพระนาคเสษนบอกว่าอุปมาเหมือนพโยคาวาจรนะเห็นจิตของภิกษุเออเข้าไปบอกว่า เป็นผู้วิสัชนาบอกว่าว่าพระราชาจะถามถึงสัมปักขันธณาสตาต่อไปใช่ไหมว่าสัมปักขันธณสตามีลักษณะอย่างไรท่านกุประมาบอกว่าพระน่าเกษมทูลตอบว่าข้าแต่มหาราชาอุปมาเหมือนประโยคาวจรขันธินจิตของภิกษุเหล่าอื่นพ้นราคะโทสะโมหะแล่นไปในโสดาปฏิบินลบ้างสกาคาคามีผลบ้างอานาคามีผลบ้างอะไรจะผลบ้างก็เร่งรีบความเพียรเพื่อให้ถึงคุณวิเศษที่ตนยังไม่ได้ถึงเพื่อบรุกคุณวิเศษที่ตนยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทําให้แจ้งซึ่งพ่านิพานทีตน่ตนยังไม่ได้ทําให้แจ้งข้าแต่มหาราชเจ้าสมปักขันธนาสตธาคือลักษณ ะ, ละเล่นไปสู่คุณเบื้องหน้าอย่างที่ได้เป็นในลักษณะอย่างนี้ขอถาวายพระบรมโอษฐ์ทราบข่าวว่าพระเจ้าก็ตทัดสรุอนุตตราสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระเจ้าสแสดงธรรมแล้วภาษารีบุตรก็ได้เป็นอักราสาวกเบื้องขวาแล้วพระโมฆราณะก็เป็นอักราสาววกเบื้องซ้ายแล้ว ท่านกบาลินิพานไปแล้วเป็นต้นนะท่านพระอน น, น์ได้เป็นพุทธอุเบกขาแล้วท่านกบาลินิพานไปแล้วเนี่ยนะโอ้โหศรัทธาเล่นเลยเนี่ยโอ้โแล้วเราจะเอาอยัางไงบ้างล่ะเนี่ยนะก็มาเข้าปรึกษากันพวกบรรดาศรัทธาก็มานั่งประชมุมบรรดาศรัทธาทั้งหลายก็เรียกสัตวิริยาสติสมาธิปัญญาไหมศรัทธาใช่ไหมสติหิริอัอตตาอโลภาอโศสะตตรามะชะตากายปสัสสธิจิตาปสัสสติเรียกระดมมาแล เรียกศัทธาไม่ได้โอท่านทั้งหลายเนี่ยนะตอนนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมแล้วพระธรรมของพระองค์ก็แสดงแล้วพระสาวกของพุทธเจ้าซึ่งเป็นสภาวะแห่งการตัดสู้ตามพุทธะก็ได้อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วหลายพุทธะอัคคระสาวกสัมพุทธะก็อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วทั้งซ้ายและขวาและท่านเหล่านั้นก็ปรินิพพานแล้วพระอานนุบัติขึ้นมาแล้วพระหมากัสปะใช่ไหม พระอุบาลีเป็นต้นเหล่านี่้นะพระอนุรุทธาเป็นต้นเหล่านี้ท่านก็ได้ประกาศพระธรรมคำสอนได้บรรลุตามพระธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วทา่านนั้นก็บรรลุเบลเบเสร็จแล้วแล้วแม้ในปัจจุบันนี้พระธรรมของพุทธเจ้าก็ยังแผ่มาถึงพวกเราในกระแสะขันของพวกเราทั้งหลายแล้วพวกเราจะทํากันอย่างไรเนี่ยศรัทธาก็เริ่มประชุมพวกฟองกันใช่ไหมแล้วเวลานอนหลับอยู่มันเคยได้ยินศรัทธาก็ประชุมกันอย่างว่าเคยได้ยินบ้าง ไม่เคยเลยเลยโอ้โหตาตามันเรียกประชุมั้งวะหนือมันมีแต่อกุศลเรียกประชมุมก็ลองสังเกตดูใช่ไหมในชีวิตประจําวันนะว่าในบรรดาอากุศลธรรมหรือกุ ศ, าาศลธรรมกุ ศ, กศลจิตบาทอกุศลจิตหรกุศลจิตบากว่าระวังใช่ไหมมิจฉาทิโม ก, กับศรัทธาสัททินเสียอะไรมันเรียก ลูกน้องมาประชุมใช่ไหมมันต้องดูเมืที่ันประชุมในกระแสกันบ่อยๆไงต้องไปดูดที่มันเจ๊เล่ถ้ามันเรียกประชุ ม, มบ่อยๆแสดงว่าเออเ น, นี่ยใช่ไหมโอ้ถ้าหากว่าบรรดาคนที่มีศรัทธาจริงๆอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้หรออยู่บ้านไม่ได้ไม่มีใครอยู่ได้ จะให้นอนกอดซับอยู่ไม่ไหวทั้งคนมีศรัทธายิงร้อนอยู่ไม่ได้หรอกแต่ถ้าคนมิจฉาวิโมกอะล้นอยู่บ้านมันจะไปนูแ่แหลมันไปงานเลี้ยงงานแต่งงานสงสรรค์มันจะไปพละงานเลยเนะี่ยให้สังเกต ด, ด้วอแล้วถ้ไปแล้วมันก็ไม่สนุกดนะ้วยในคนมีศรัทธาเนี่ยถ้าคนมีมิจฉาวิโมกเนี่ยโอ้โหไม่ได้แล้งานสังคมก็ต้องเอาไว้เยอะแยะหมดเลยมันจะไปงั้นเนี่ย แล้วก็สังเกตดูไม่ยากถ้าแต่ก่อนถ้าไม่ได้เรียนเป็นข้อเปรียบเทียบแล้วจะแยกไม่ออกเลยนะระหว่างสัททาแท้สัทธาเทียมเอาแต่ถ้าเราไม่มาสังเกตองคธรรมมันดิคือทีนั่งคุยกันมาตั้งงานแล้วบางคนไอหมาก็ฟังฟังบางคนก็อธิบายเรื่องสติามาก็ฟังฟังไปงั้นเ้ยมาถ้าจับประเด็นองคธรรมไม่ได้จบเลยยังไงทั้งอธิบายกันอยู่นั่นแหละวุ่นวุ่นอยู่แต่ถะารู้อัถธาขององค์ธรรมเราะแล้วเนี่ยมันมันหนีไม่พ้นแล้ว แลาว อ, อธิโมกแนอบุศลจะมันน้อมใจเชื่อในสิ่งที่ผิดนี่ชัดแล้วแล้วอะไรเราผิดอะไรแล้วถูกล้วเอาอะไรไปตัววัดเอาคำสอนไงคำสอนพระเจ้าไงใช่ไหมอันนี้ก็ชัดเจดนนริงทีนี้ให้สังเกตเดูที่มันแล่นไปเนี่ยก็แปลว่าเขาปลารกบุคคลอื่นที่บรรลุ <c oughs> ปารบอย่างนั้นที่จริงเนี่ยศรัทธาเนี่ยท่านปลารกตั้งแต่นู้นแหละ การอุบัติเกิดขึ้นของสัมมาสัมพุทธะดูที่ได้วันก่อนที่ได้ยกตัวอย่างพระเทเรสพระมาหากรีน่านั่นแหละเวลราลรักษณะศรัทธาเกิดขึ้นก็จะเป็นแบบนั้นอยู่ไม่ได้หรอกคนนี้คนมีศรัทธาแท้เนี่ยไม่มีทางจะ ก, กอดทรัพย์สมบัติอยู่ได้ท้าเลยเอาสร้างสร้างเหตุปัจจัยตัวนี้ไปเรื่อยๆดินั่ข้าวนั่ง้าวอยู่ไม่ได้ทิ้งหมด แต่ถ้าหากว่าเป็นมิจฉาทิโมกษนะจะยกตัวอย่างนะมีท่านหนึ่งอันนี้ตายไปแล้วถึงยกได้และไม่เอ่ยหรอกเอ่ยจังหวัดได้ที่ใช่หน้าดูศรัทธา ท, ท่านไหนไม่รู้ศรัทธาวัดเนี่ยโอ๊ยพระวัดนี้ศสนาศรัทธาหมายความว่าโอ้วัดนี้ดีและเครืสร้างได้ดีเนะน่ยตัวเองก็ศรัทธาขายสมบัติหมดเลยแล้วก็ไปอยู่วัดโยนน้ำเข้านาเข้าไป ไอ้สมันไม่ศรัทธาแท้นนะแล้วมันตั้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีพระเจ้าเท่าไหร่เลยอะไปตั้งวนๆวนๆนย่เงน่นะเข้านั่งเข้าเสร็จเลยขัดแย้งอยู่ที่นั่นไม่ได้ก็ออกมาไปไปมาที่วัดนั้นเขาก็ไม่ให้อยู่เพราะมีเรื่องเรื่องมากไม่เป็นคนเรื่องมากจุกจิกยุ่ยเดี๋ยวนี้มารายาหลังก็เลยไม่ต้องอาศัใสุ่นคนอื่นอยู่แล้วก็ตายไปยังไม่มีอะไรเหลือช้ำใจตายแล้วก็บนเพลินะ โอ้ยกูสร้างมาไม่รู้เท่าไหร่ไ อ, อ้วัดนี้อะไรสารพัดเองัน้นเนี่ยนี่ไงนี่มิจฉาทิโมกนี่น้อมใจแบบผิดผิดอะไรยังนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่แล้วถ้าว่าศรัทธาแท้เลยถ้ามันเดินออกอย่างนั้นมนกลมมุมเลยมันขัดเกลาแล้วมันรู้ข้อมูลมันรู้ประธรรมมันวางแผนชีวิตมันวางแผนชีวิตมันประครับประคองถึงตนเองไม่ได้ฟู้่าอะไรจะอยู่ได้ จนสามารถที่จะบำเพ็ญกุศลไปจนถึงบรปลายชีวิตได้แล้วก็ไปโดยไม่มีอะไรเหลือก็ได้ไม่เห็นเป็นไรแต่หมายความว่าเขาไปแล้วเขามีสติเป็นไปแน่นอนใช่ไหมอย่างนี้วิชาที่โมกเห็นชัดเลยเนี่ยเราก็แยกตัวอย่างอันนี้ยกบุคคลก็ได้จะไม่เอ่ยชื่อนี่นะแต่เราจะได้เห็นว่านี่ไงว่าศรัทธาแท้ศรัทธาเทียมนุ่มต่างกันถ้าศรัทธาแท้เนี่ยจะเอาอะไรเป็นตัวตั้ง นู่นแหละเอาพระพุทธเจ้าเอาการบรรลุของท่านเอาการแสดงธรรมของท่านเพื่อที่จะน้อมในการฟังพระธรรมเมื่อน้อมการฟังพระธรรมแล้วก็เลือกเฟ้นในการที่จะฟังพระธรรมด้ยเนี่ยไม่ใช่พระธรรมอะไรตัวเองก็ฟังฟังฟังฟั ง, ฟงไม่ใช่ไม่ใช่ทีนี้ประการต่อไปก็คือว่าเพื่อถึงคุณวิเศษที่ตนยังไม่ได้ถึงใช่ไหมแล้วก็บรรลุคุณวิเศษที่ตนเองยังได้ไม่ได้บรรลุทําให้แจ้งซึ่งปัญญนิพนธ์ที่ตนเองยังไม่ได้เลย ถามว่าลองถามตัวเองทีนิพพานของพระโสดาบันก็ยังไม่ได้นิพพานของพระสกอาตาคาก็ยังไม่ได้นิพพานของพระอรหันต์ก็ยังอนาคาพระอรหันต์ก็ยังไม่ได้นิพพานของพระพระเจ้าของพระเจ้าอย่างเราอย่างหนึ่งยังไม่ได้สักนิพพานเลยนะอย่าลืมนิพพานของพระสารีบุตรกับนิพพานของพ่อกรณ์นะกรณ์นิพพานกันนะคุณธรรมของท่านเนี่ยบรมินทรท่านที่สั่งสมก็แตกต่างแต่นิพพานมีสภาวะอย่างเดียวกันเดียวแต่ต่างกันในความกว้างความความชัดเจนอะไรก็ว่ากันไปเนี่ พระราชาตัดถามว่าไหนพระผู้เป็นเจ้าให้อุปมาท่านก็เลยอุปมาบอกว่าเหมือนเมฆใหญ่บรรดาฝนนั้นตกลงมาจากภูเขาน้ำฝนนั้นก็ไหลไปสู่เบื้องต่ำหรือไปสู่ที่ต่าเมื่อไหลไปสู่ที่ต่ำแล้วก็ท่วมซอกเขาห้วยแล้วก็ลาหานเต็มแล้วแล้วก็ไหลไปตามระดับแม่น้ำให้เต็มได้แม่น้านั้นก็เต็มเปลี่ยนไปทั้งสองฝั่ง เมื่อเป็นเช่นนี้หมู่มหาชนก็พากันมาเมื่อไม่ทราบถึงความตื้นและความลึกของแม่น้ํานั้นก็กลัวก็พากันยืนชะ ง, งักชะเง้อนะอยู่ป้าฝั่งทีนั้นก็ยังมีบุรุษยอยู่คนหนึ่งมาแล้วเมื่อรู้ถึงเรี่ยวแรงและกําลังของตนจึงถกขเขมเฉนรี่จะคําว่าถกขเมเฉนไหมอันนั้นุ่งถกขเขมเฉนนั่นแหละแล้วก็มุ่งหน้าลุยข้ามไปจนได้ แม้หมู่มหาชนคันเห็นบุรุษนั้นข้ามไปได้แล้วก็พากันข้ามไปบ้างข้ออุปมานี้ก็เทียบกันฉันใดข้าแต่มหาราชเจ้าพโยค า, าวจรก็มีอุปมาเหมือนกันฉะนั้นแล้วคันเห็นจิตของภิกษุอื่นคือบุคคลที่ได้บรรพโสดาบันสกาทานาคาเป็นพระทหารแล้วเขาหลุดพ้นจากสัพพะกิเลทั้งหลายแล้วก็ย่อมจะมีจิตแหล่นไป ในโสดาปฏิผลบ้างในสกทาคามีผลบ้างอานาคามีผลบ้างอะไรจผลบ้างย่อมจะรีบทำความเพียรระดมสติสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อจะให้ถึงคุณวิเศษที่ตนเองยังไม่ถึงบรรลุคุณวิเศษที่ตนเองยังไม่ได้บรรลุและเพื่อจะทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษที่ตนเองยังไม่ทำให้แจ้งข้าแต่มหาร่าเจ้าสำ ขันธนะศรัทธามีลักษณะตามที่ได้ถวายพระพรมานี่แหละแล้วท่านก็เลยะยกตัวอย่างในคำพีสั่งยุตเลยนะในคำพีสั่งยุตนน้แต่นิกายบอกว่าศัทธายะตรติโอคังตรงนี้นะท่านยกตัวอย่างพุทธจนะอั ป, ปมาเดนะอนนาวังวิริเยนะทุกรมาเจนติปัญญายะปริสุทธิ สัทธายาตรติโอคังอัปปมาเดนาอันนาวังวิริยนาดุกามเจตีปัญญาญาปริสุชาติบุคคลจะข้ามโอค้าได้ด้วยศรัทธาจะข้ามอันนกคือห่วงน้ำได้ด้วยความไม่ประมาทจะล่วงจากความทุกข์ได้มีชาติทุกข์เป็นต้นกันเพราะความเพียร จะบริสุทธิ์จากราคะโทสะโ ม, มหะเป็นต้นได้ก็ได้โดยปัญญาเห็นไหมงั้นการหลักฐานที่ยกมาเนี่ยชี้เห็นอะไรบุคคลที่จะมาเข้าศึกษาในพระศาสนาเหล่านี้ข้อสังเกตข้อหนึ่งก็คือว่าจะต้องมีโยนิสมนกสิการในการเข้ามาศึกษาเข้ามาศึกษาทีนี้ หลังจากที่เข้ามาศึกษาเป็นชาวพุทธมีความสอนของพุทธศาสนาเป็นต้นแล้วเนี่ยนะก็ต้องก็ต้องที่จะต้องศึกษาพระธรรมคำสอนดังที่ได้กล่าวแล้วก็พยายามนี่แหละบ่มเพาะสัตทินซีเป็นต้นเหล่านี้ให้ให้ดีเขาบอกว่าเลือกเพ้นนี่สำคัญมากหนึ่ง ก็หมายความบอกว่าเราจะอยู่ร่วมกับบุคคลใดเมื่อไปอยู่ร่วมแล้วเนี่ยจะเป็นเหตุให้สติและสัมปชัญญะของเราเจริญนี่ตรนี้สำคัญนะเป็นชาวพุทธเนี่ยฉะนั้นอุบายใดๆที่จะเป็นปัจจัยเกี่กับการที่จะพ้นจากวัฏทุกเป็นต้นอะไเนี่ยเนี่ยก็คือว่าได้หลักก็คือว่าประกอบไปด้วยสติ ใครก็แล้วแต่ถ้าหากเจริญสติปัฏฐานนอยู่ ใ, น ใ, นใกล้ๆท่านหรือว่าห่างจากบุคคลที่ไม่เจริญสติปัฏฐานหรือก็คือน้อมใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อจะพ้นจากทุกสนใจในการพิจารณาทุกในบายภูมิเห็นอนิสง์ของความเพียรชอบพิจารณาตามในยะของสติปัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ไล่ไปตามลำดับนี้แหละเกี่ยวกันในเรื่องของการที่ว่าเราจะอยู่ใกล้กับบุคคล ใ, ใดๆเพื่อนก็แล้วเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นข้อหนึ่งในการที่เราจะทําศึกษ า, ามาทําคําสอนของพุทธเจ้าที่นี้ประการอีกประการต่อมาคือว่าดังที่ได้กล่าวบอกว่าศรัทธาเนี่ยที่ได้กล่าวไปไปแล้วเนี่ยที่ท่านถามบอกว่าสาัมปทาทานลักษณะแปลว่าปัน ศรัทธามีความเลื่อมใสเป็นลักษณะเป็นต้นดังที่ได้กล่าวเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยก็บอกอกว่าพระลาท่านยกอุปมาเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะถัดศรัทธายตระติโอคังอั ป, ปมาเดนะอันดวังวิริเยนะทุกขะมะเจติปัญญายะปริสุทธิตติบุคคลเนี่ยจะข้ามห่วงน้ําได้โดยกศรัทธานี่ก็คืออนนอ ก, กิเนี่ยทะเลก็ได้ความไม่ประมาทล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา คือลักษณะของศรัท ธ, ธาแล่นไปในโสดาปฏิผลเป็นต้นดังที่ได้กล่าวทีนี้ท่านผู้นี้เป็นผู้ที่มีจิตรุดพ้นก็เกิดความศรัท ธ, ธาปฏิปทานนี้ไม่เป็นของเปล่าแล้วก็ส่งจิตไปในพระโสดาปฏิผลเป็นต้นการการคิดในลักษณะอย่างเนี้ย เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ได้ถึงก็คือเพื่อถึงผลที่ตนยังไม่ได้ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุก็คือมรรคที่ตนยังไม่ได้บรรลุทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ตนเองยังไม่ได้ทําให้แจ้งก็คือพระนิพพานหรือผลนั่นแหละที่ตนยังไม่ได้ทําให้แจ้งตรง น, นั้นก็คือลักษณะของสัตทินรีที่เราควรตั้งกันไว้เป็นต้นตรงนี้พอเข้าใจาในเรื่องของศรัทธาเป็นต้นเหล่าเนี้ยก็มาศึกษาประกอบประกอบพุทธคุณที่เราศึกษากัน ในการศึกษาพุทธคุณเนี่ยนะในพระธรรมคาสอนของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของศรัทธาพูดถึงในเรื่องของศรัทธาเนี่ยโอย้เรื่องยาวเลยเี๋ยนี้ใจความของคาถาเนี่ยบอกว่าถ้าบคุคคลเนี่ยถ้าบอกว่าศรัทธาในพระผู้มีพระาเจ้า ไม่ว่าจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุโทโววิชาจนะะสัมปันโนสุกโ ต, โตโรอกวิรูวิตโตเนี่ยนะตัวองค์ธรรมของอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสนะนโมตสสะเห็นไอันนั้นเป็นอาการนอบน้อมบัคขวะโตเนี่ยอันนี้นเป็นตัวกำจัดราคาไหมหะโตแปลว่าไกลจากกิเลส คือพักวะโตเนี่ยเป็นตัวกําจัดราคาทุศัแต่อรหะโตนั้นกลายจากกิเลสใช่ไหมสัมมาสัมพุทธัสสเนี่ยอันนั้นแปลว่าเป็นผลแล้วเป็นผลแล้วเป็นสัพพัญญุตญาในสัพพัญไอสัมมาสัมพุิโหน่ยแต่และแต่จะกล่าวว่าเป็นเป็นเหตุหรือเป็นผล คือคือบางทีเนี่ยกล่าวอาริยมรณะนะบางทีกล่าวอาริยมะคืออย่างนี้ต้องไล่ไปตามลำดับดีกว่านี่เออในคำสอนเราศึกษากันอรหังใช่ไหมไกลจากกิเลสเนี่ยนะนะโมตัสสาพระครูตัวรัดตัวสัมมาสัมพุทธจารเน่วาวจีปนามการนอบนอบ้นอมได้วาจาอารหตัตโตเนี่ย นึกถึงคุณของพระผู้มีพระเจ้าด้วยความเคารพนอบน้อมอยู่ในใจิตใจพระองค์นั้นมีพระบริสุทธิ์ที่คุณหาที่สุดไม่ได้แล้วโดวยมโนประนามการนอบน้อมในใจเนี่ ย, ยทีนี้ที่คาว่าสัมมาปตโตมหาเตโชเนี่ยไม่ใช่คาว่าสัมมาปตโตมหเตโชปัญจวัคขยาภิกขุนัง สัมมาสังมปาวเทสสัททานังนมามิตังสังคิสโรมหาปัญโยทตตวามตังมหาชนังสังทิตจิรังเชตามีสวิหารังนามิตังพุทธัสสารวียานี นิพุตสาจะตาธิโนพุธสาตาสาทาตุโยเสยารูปังนามามิหังบอกว่าพระบรมศาสดาผู้ทรงเดชานุเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่สเสด็จถึงปายสิบปัฒนามิฆายวันโดยสวัสดีภาพทรงสแสดงธรรมจักรกับปัตนนสูตรที่ประกาศสัจจะสิบหประการเป็นเบื้องแรกแก่ปัญจวคีทั้ง ห้าโดยชอบข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบรมศาสดาพระองค์นั้นด้วยและสถานที่นั้นด้วยเสียนเกล้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงประคองสงมีพระปัญญาอันยิ่งใหญ่หลวงทรงประทานอมตะธรรมแก่มหาชนส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่วิหารเชตวันซึ่งเป็นอารามที่พระบระมาศาสดาประทับนานที่สุดข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น พร้อมทั้งการกราบไหว้พระวิหารเชลตะวันทั้งสิ้นนั้นด้วยข้าพเจ้านอบน้อมกราบไหว้พระท่าของพระพุทธเจ้าผู้คงที่ผู้เสด็จดับขันธปรินิพานณสารวโนทยานที่ป่าสาระและขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธศีหาสยญาติของพระบรมศาสดาพระองค์นั้นฉะนั้นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยในคำเพียพิธรรมมัถธสังหะนะอมิธมมัถวิภาวณีนี่นะ จัดอยู่ในส่วนของปะหานะสัมปทาถ้าอยู่ในปะหานะสัมปทาองค์ธรรมก็ได้แก่อริยมรรคอริหยมรกคสีนะ่น่าจะเป็นปะหานะสัมปทาแต่ถ้าสัมมาสัมปทาเนี่ยถ้าสูงสุดเอาอรหัตมรรคยานและญาณสัมปทายาณสัมปทาในะองค์ธรรมได้แก่สรรพยุตยานทศพลยานเป็นต้นสรุปก็คือท่านจัดไว้สองในยักษ์ ส, สัมมาสัมพุโทโธสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยหนึ่งมัครคยานเพราะอยู่ในส่วนของปหาณสัมปทานทีนี้ในมัครคยานนสี่คือโสดาปริมาสากาต า, า, าคันมรรคอนาคา ม, มาครมารคอัลาธรรมะแต่ท่านบอกว่าอาลาธรรมเนี่ยสูงสุดอันนั้นในส่วนของปหาณสัมปทานแต่ถ้าในส่วนของญาณสัมปทานเนี่ยสัพพัญยุตยานอยู่ สัพพัญญุตญาณอ น, นาวารณญาณอินเรียปรโรประยะียติญาณมหากรุณาสมาปฏิญาณอาสยานุสเยญาณย า, ย, ายามากาปปาติหารยายาิยญาณใช่ไหมทีนี้แล้วตัดท้อสพลญาณ10เวสาลัชญาณ4พุทญาณ14เวนิกธรรมอีก18บดก็ไล่ไปเลยยาวเลยนี่ยาวเลยแท้จริงก็คือสัมมาสัมพุทธันตินี่ย อันนั้นเป็นไปในส่วนของปะหานะสัมปทาและยานะสัมปทาทีนี้แม่จะพูดสมมาสมุทธะก็ยาวเลยแตเนียเนี่ยฮะคือที่จริงจะแยกหาระก็เ<ป>ลไม่รู้จะไปงไงเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันนั่นนี่เนี่ยมาคันโทลตัวเองไม่ได้อันนัตตาแท้ เวลาพูดไปแล้วก็บางทีรู้มากอยากนานก็ว่าไม่ใช่นะอันนี้ไม่เรียกว่ารู้แล้วอยากนานรู้มากแต่จะทำยังไงให้เรานั้นได้เข้าใจให้เร็วเข้าใจได้เร็วตรงนี้ก็คือท่านในคำว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะเนี่ยนะ มันจะคว่าตัดถาปริมาทเวพระสัมปทาเนี่ยสัมมาสัมพุทธันติเนี่ยอิมีนาทสิตาเนี่ยมีผลสัมปทาสอย่างปหาณสัมปทาญาณสัมปทาอนุภาวะสัมปทารูปกายาสัมปทาตรงนี้ไล่ยาวเลยแหละนุ่นต้องไปดึงเงาหนอนมาเลยเนี่ยอภิธรรมัทธทีปนีดีกาคนนึกนี้ได้ก็ไปนึกถึงนู้นเลยตรเนี้ยอ้า เราเรียนนั่นมาแล้วสัมมาสัมพุโทโธในพระวิธรรม